นิทานไทยฮูดภ้าขีลิว้วกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชาและราชินีที่ยังไม่มีบุตรนี่ทำให้ราชินีเศร้าใจเป็นอย่างมากเธอปรารถนาที่จะมีลูกยิ่งกว่าสิ่งใดวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ที่สนามหญ้าในพระราชวังหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาถาหวายบังคมเพคะฝ่าบา เจ้าเป็นใครกงนเหรอข้ารู้ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดข้าช่วยท่านได้นะท่านช่วยได้จริงจริงเง้นเหรอเอาเน่ไปสซให้ท่านนำมันไปผสมกับน้ำสองถังแล้วใช้อาบมันจากนั้นนำน้ำไปไว้ใต้เตียงของท่านในตอนเช้า ท่านจะพบดอกไม้สองดอกที่ใต้เตียงดอกหนึ่งมีสีน้ำเงินและอีกดอกคือสีม่วงท่านต้องกินดอกไม้สีน้ำเงินส่วนดอกสีม่วงท่านก็ท้งมันไว้ในเทปของมันแบบนั้นแหละดังนั้นราชินีจึงทำตามที่แม่เท่าบอกเธอนาน้ำสองถังขึ้นมาบนห้องและอาบมันจากนั้น จึงนำน้ำไปรดไว้ที่ใต้เตียงวันรุ่งขึ้นอย่างที่แม่เท่าบอกคือมีดอกไม้สองดอกเกิดขึ้นที่ใต้เตียงจริงๆราชินีนำดอกสีน้ำเงินขึ้นมาและกินมันมันอร่อยเกินกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยกินมาราชินีคิดว่าดอกไม้อีกดอกจะมีรสชาติที่เหมือนกันจนลืมคำเตือนที่แม่เท่าเคยบอกไว้เธอจึงกินดอกสีม่วงเข้าไปด้วยอีกดอก และไม่นานราชินีก็ได้ให้กำเนิดทารกขึ้นมาสองคนคนหนึ่งงดงามราวนางฟ้าส่วนอีกคนพยาบาลจะต้องตกใจเมื่อได้เห็นเธอหุ้ยอะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงมีอะไรอย่างนั้นเหรอทารกอีกคนเกิดมาพร้อมเขาและหางพยาบาลอุ้มเธอให้ราชินีดูลูกข้านางแข็งแรงดีใช่ไหมนางแข็งแรงดีค่ะแต่ว่า นางเป็นลูกของข้าแม้ว่านางจะดูแตกต่างข้าจะเลี้ยงดูนางด้วยความรักและความเอาใจใส่เช่นเดียวกับลูกอีกคนของข้าข้าขอตั้งชื่อให้นางว่าเจ้าหญิงฮอรเดลส่วนอีกคนจะชื่อว่าเจ้าหญิงเอ็เนสและมันเป็นเช่นนั้นทรงเลี้ยงดูลูกส า, สาวทั้งสองคนด้วยความรักและเอาใจใส่สองพี่น้องสนิทกันมากจนตัวแทบจะติดกันตลอดเวลา แม้พกนางจะโตแล้วก็ตามแต่เจ้าหญิงที่มีเขาชอบที่จะสวมฮูดจากผ้าคีริ้ลและพกช้อนที่ทำจากไม้ไว้ตลอดเวลาผู้คนจึงเริ่มเรียกนางว่าเจ้าหญิงฮูดผ้าคีริวเธอถูกถามซ้ำซากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทำไมลูกชอบสวมฮูดนั่นจังแล้วทำไมต้องพกช้อนไม้นั่นด้วยล่ะเพื่อที่สักวันรักแท้จะเปลี่ยนฮูดนี้เป็นมงกุฎ และเปลี่ยนช้อนไม้ของข้าให้เป็นเท้าของนางฟ้าในวันหนึ่งในพระราชวังได้รับสารฉบับหนึ่งโอไม่นะมีอะไรเหรอคะท่านพ่อพวกเรามบุคมาอาณาจักรเราและสิ่งที่พวกเราจะทำในทุกอาณาจักรที่ไปก็คือสร้างหายนะแก่พระราชวังในวันคริสต์มาสอีฟแต่มันก็แค่คืนเดียวเท่านั้น ถ้าพวกเราไม่ไปยุ่งกับพวกเขาเดี๋ยวพวกเขาก็ไปเองแหละแน่นอนทีดักแต่พวกเขามักจะนำสิ่งที่มีความวิเศษสุดในพระราชวังไปด้วยแล้วสิ่งวิเศษนั่นคือลูกสาวของเราพวกเขาจะค้นหาทุกซอกทุกมุมไม่มีที่ไหนเลยที่จะปลอดภัยโอ้ไม่ต้องห่วงคะ่ะท่านพ่อข้ามีพลังเวทมนต์มากกว่าพวกโททุกตัวที่ข้าเคยเห็นมาก่อนหน้านั่นอีกให้พวกเขาเข้ามาคะ่ะ ข้าจะปกป้องน้องสาวให้ปลอดภัยด้วยตัวของข้าเองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะและแล้วคืนวันคริสต์มาสอีฟก็มาถึงมีทหารคุ้มกันอย่างแน่นหนาแต่พวกโรก็ได้บุกเข้ามาในห้องของเจ้าหญิงทั้งสองต่อสู้กับพวกมันจนสามารถเอาชนะพวกมันได้เจ้าหญิงฮูดผ้าคีริวใช้ช้อนของเธอในการต่อสู้ในไม่ช้าพวกโรก็ล่าถอยไปแต่ก่อนที่พวกมันจะไปนั้น โทรตัวหนึ่งได้ใช้พลังเวทมนต์ที่ทรงอำนาจสามเจ้าหญิงให้กลายเป็นวัวแอ็กเนสทุกๆคนในพระราชวังต่างเศร้าใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่โทรได้ทำลงไปแต่เจ้าหญิงฮอนเดลแทบทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้ลูกสาวที่น่าสงสารของข้าเราจะทำยังไงกันดีล่ะข้ารู้ว่าพวกโทรอยู่ที่ไหนในปราสาทเหนือทะเลทั้ง3า และตรงใจกลางของทะเลทั้งสามในน้ำนั้นมีพลังเวทอยู่และด้วยพลังเวทนั้นถ้าสามารถใช้มันเอาชนะพวกโทเหล่านั้นได้และมันจะทำให้แอตเนสกลับมาเป็นคนได้อีกครั้งพลังเวทตรงใจกลางของทะเลทั้งสามเหรอพ่อไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเรื่องนั้นน่ะมีเพียงคนที่มีเขาและหางเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ท่านพ่อคะช่วยหาเรือให้ข้าโดยด่วนที่สุดข้าและแอเนสเท่านั้น ที่จะต้องล่องเรือไปและข้าจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ได้อย่างแน่นอนเพคะดังนั้นเจ้าหญิงทั้งสองจึงออกเรือไปเพื่อข้ามทะเลทั้งสามเมือ่อถึงตรงกลางของทะเลเจ้าหญิงพูดขาทีริวได้ตักน้ำขึ้นมาใส่หม้อและใช้ช้อนไม้ของเธอกวนมันโดยมีแอกเนสมองดูอยู่ไม่นาน น้ำจากใจกลางทะเลทั้งสามเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มเจ้าหญิงพูดผ้าธีริว้วนำมันไปใส่ในหม้อและร่องเรือไปยังปราสาทของพวกเหล่าโทรพวกโทรเห็นเธอและได้ทำการโจมตีเธอใช้ช้อนตักเข้าไปในหม้อและสาดน้ำสีม่วงใส่พวกมันพวกมันเริ่มวิ่งหนีอย่างเตลิดเปิดเปิงจนเธอได้มาพบกับโทรตัวที่ร้าคาสาปใส่เจ้าหญิงแอกเนส พอรองอย่าทำอะไรข้าเลยนะได้โปรดถ้างั้นทำให้พี่สาวข้าเป็นแบบเดิมซะฉะนั้นต้องถอนคำสาบให้นางเดี๋ยวนี้เจ้าหญิงพูดพาคิริวได้นำตัวโทรมาที่เรือและให้เขาถอนคำสาบเจ้าหญิงแอ็กเนสกลับมาเป็นคนอีกครั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเดินเรือออกไปโทรได้เตือนขึ้นมาว่า ถ้าเจ้าอยากจะเป็นมนุษย์เช่นเดิมตลอดไปอ่ะเจ้าทั้งคูจะต้องตามหารักแท้ให้เจอก่อนจะกลับไปพ่อพ่อและแม่ของเจ้าถ้าเจ้ากลับเข้าไปในพระราชวางังโดยยังหารักแทนไม่เจอเจ้าจะกลับมาเป็นวัวอีกครั้งข้าคงต้องเสียใจด้วยแต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะหยุดคำสาปได้อ๋อแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะเราจะตามหารักแท้ได้ที่ไหนและจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือรักแท้นอ่ะ ไม่ต้องห่วงนะพี่ข้าเนรู้ว่าพวกเราน่ะจะต้องทำยังไงเพราะว่ารักแท้นั้นหมายถึงการเสียสละยังไงล่ะพี่เจ้าหญิงพูดภาคีริ้วรู้ว่าต้องทำอย่างไรเราไม่รู้เลยว่าเธอรู้ได้ยังไงแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาของเธอนั่นทำให้เธอล่องเรือมายังอาณาจักรที่ห่างไกลซึ่งถูกปกครองโดยราชาที่มีบุตรชายสองคน เมื่อกองทัพของราชาเห็นเรือที่งดงามและแข็งแรงล่องเรือมาพวกเขาจึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับราชาฟาบอดมีรขนาดใหญ่ล่องมาแต่ไม่มีกองทัพ บ, บนนั้นเลยเราเห็นผู้หญิงสาวที่มีสองเขาและหนึ่งหางเท่านั้นอะไรกันเป็นไปได้ยังไงนี่ท่านพ่อข้าจะไปตรวจ ด, ดูเองอย่าเลยน้องรักผู้หญิงแบบนั้นอาจถูกคาสาปหรือเป็นแม่มดเองก็ได้ ข้าจะไม่ปล่อยให้น้องข้าเป็นอันตรายแน่ท่านพ่อข้าจะไปข้าไปเองข้าเองก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปคนเดียวงั้นพวกเราทั้งคู่จะไปดูที่นั่นด้วยกันเองดังนั้นเจ้าชายทั้งสองจึงขึ้นมาบนดาดฟ้าของเรือเจ้าหญิงทั้งสองเล่าเรื่องราวของพวกโทให้พวกเขาฟังและตอนนี้กําลังออกเดินทางท่องเที่ยวก่อนที่จะกลับบ้านอย่างไรก็ตาม พวกเธอไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องหารักแท้ให้เจอเพราะนั่นไม่ใช่หนทางที่จะเจอรักแท้เมื่อรู้ว่าพวกเธอเป็นเจ้าหญิงพวกเขาได้เสนอให้เจ้าหญิงอยู่อาณาจักรามเดือนในฐานะแขกเจ้าชายพาพวกเธอเที่ยวชมทั่วราช อ, อาณาจักรพูดคุยและปิกนิกไปด้วยกันจนเวลาผ่านไปแอ็กเนสและเจ้าชายคนโตได้ตกหลุมรักกันในวันที่เจ้าหญิงทั้งสองจะต้องจากไป เจ้าชายคนโตทนไม่ไหวที่จะเก็บความรู้สึกเขาได้บอกกับแอกเนสออกไปไปก่อนนะเพคะเจ้าอย่าไปเลยนะได้โปรดอย่าไปเลยพวกเราอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกคะ่ะเราไม่เหมาะกับอาณาจักรแห่งนี้เลยสักนิดเดียวแต่หัวใจของข้ามันไม่ยอมปล่อยเจ้าไปเ้าอาจจะลงโทษข้าหรือไม่ชอบสิ่งที่ข้าพูดก็ได้แต่ว่าข้าขอโทษ ด, ด้วยข้าต้องซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเอง และขาต้องพูดกับเจ้าด้วยความคารพอย่างยิ่งอะไรงั้นเหรอเจ้าชายข้าตกหลุมรักเจ้าอย่างหมดหัวใจเจ้าหญิงและข้าหวังว่าจะได้แต่งงานกับเจ้าเจ้าจะยอมรับข้าเป็นสามีของเจ้าได้ไหมพี่สาวของข้ายินดีจะแต่งงานกับท่านหากน้องชายของท่านยอมแต่งงานกับข้าด้วยข้าตกลงน้องรักอย่างเลยเจ้าไม่ควรแต่งงานกับคนที่เจ้าไม่ได้รักแค่เพราะอยากจะช่วยข้า พี่ชายรักแท้ช่างหายากแต่ในที่สุดท่านก็ได้พบค้าอาจจะมีความสุขกับน้องสาวของเจ้าสาวท่านก็ได้แต่ถ้าหากท่านปล่อยความรักท่านไปท่านจะไม่มีความสุขอีกเลยท่านไม่เห็นเหรอนางก็รักท่านเหมือนกันนะเจ้าชายคนพี่พยายามโน้มน้าวให้น้องชายล้มเลิกความคิดที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงพูดผ้าเครยวแต่น้องชายของเขาก็ไม่ยอมฟังเจ้าหิงแอกเนส ก็พยายามห้ามน้องสาวของคำพูดของเธอเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงถกเถียงกันไปมาในที่สุดได้ข้อสรุปว่าเจ้าชายคนพี่แต่งงานกับเจ้าหญิงแอนเนสส่วนคนน้องแต่งงานกับเจ้าหญิงฮูดผ้าคีริวเมื่อถึงวันแต่งงานเจ้าหญิงฮูดผ้าคีริวได้เรียกเจ้าชายคนน้องมาหาเธอมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงใช่แล้วข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าน่ะ มีอะไรจะพูดกับข้าหรือเปล่าก่อนที่เร า, เาจะแต่งงานกันนะ่ะพี่ชายข้าได้แต่งงานกับรักท้ของเขาและข้ามีความสุขกับเรื่องนั้นแล้วเจ้าเนะี่ยไม่อยากจะรู้เกี่ยวกับ เ, าเขาหางและช้อนไม้ของข้าเหรอข้ายอมรับกับเจ้าตรงๆว่าข้าไม่ได้รักเจ้าข้ามองว่าเจ้าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากและข้าอยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้า ข้ามีความสุขมากที่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปกับเจ้าและข้าหวังว่ามิตรภาพของเราจะเพียงพอนะเจ้าหญิงข้าจะทําให้เจ้ามีความสุขข้าสัญญาข้าเชื่อเช่นนั้นชายที่ยอมเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ให้พี่ชายของเขานะ่ะแต่ว่าการที่จะเป็นสามีข้าข้าอยากให้เจ้ารู้เอาไว้เจ้านี่ยจงเป็นตัวของเจ้าเองไม่ต้องกังวลให้มันมากมายแค่ตรงไปตรงมาแค่นั้นแหละ ทำให้ข้านะ่ะมีความสุขได้แล้วทำไมเจ้าถึงสวมพูดผ้าคีริวแบบนั้นละ่ะไหนพูดผ้าคีริวที่ไหนกันเจ้าน่ะมองมองกุฎที่งดงามเป็นพูดผ้าคีริวได้ยังไงกันเนี่ยฮะแล้วทำไมเจ้าต้องพกช้อนไม้ด้วยละ่ะไหนช้อนไม้ที่ไหนกันละ่ะนี่น่ะเป็นไม้เท้าที่งดงามที่สุดที่เจ้าหญิงคนไหนเคยมีเลยละ่ะเจ้าชาย ท่านเกิดมาเป็นแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอมีเขาแล้วก็มีหางด้วยใครบอกท่านกันเนี่ยว่าข้าเกิดมาพร้อมเขากับหางท่านน่ะจะต้องได้เห็นสิ่งนี้เจ้าช่างงดงามนะักแต่ข้าไม่เข้าใจว่านี่มันเรื่องอะไรกันนี่นะ่ะเป็นพลังแห่งรักแท้ยังไงล่ะเจ้าชายแต่ว่าข้าไม่ได้รักเจ้าสักหน่อยแต่เจ้ารักพี่ชายของเจ้าไงและสามารถเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ให้เขาได้ และข้าก็เชื่อว่าเจ้าน่ะจะรักข้าได้เช่นกันเจ้าน่ะไม่เคยดูหมิ่นเขาหางและวิธีการพูดของข้าเลยสักนิดเจ้าน่ะยังคอยให้เกียรติข้ามาโดยตลอดด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้าน่ะเป็นเจ้าชายที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งหัวใจของเจ้าเช่นนี้สามารถมีความรักได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่แอเนทพี่สาวของข้าและพี่ชายของเจ้านั้น พวกเขาทั้งคู่ยอมเสียสละความรักของพวกเขาได้พี่ชายของเจ้ายอมเสียสละความรักของเขาเพื่อที่จะปกป้องเจ้าไม่ให้เจ้าแต่งงานกับข้าซึ่งเจ้าไม่ได้รักข้าเลยและพี่สาวของข้าก็ยอมเพื่อรักษาเกียรติในคำพูดของข้าเองความรักและการให้เกียรติกันทั้งทรงพลังจริงๆเลยมันเป็นเวทมนตร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยล่ะขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราทุกคนเอาไว้นะ่ะ และเช่นนั้นคู่รักทั้งสองก็ได้แต่งงานกันเจ้าหญิงแอกเนสและเจ้าชายคนพี่รักกันอย่างสุดซึ้งหัวใจส่วนเจ้าหญิงฮอนเดวและเจ้าชายคนน้องต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสง่างามพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิจนิรัน